ฉัน o ู้สึก t ึ พี่อ่องฉันจะบินไปหาเธอและสิ่งที่ฉันทำผ่านไปเธอไม่อารับฉันไว้ข่างกายได้มือไม่เคยแม้คำว่รารักที่ฉันเคยบอกเธอจะมีความหมายแค่เพียงในวันที่เลยพ่นโปรดฟังสิ่งนั้นที่ดั่งในใจ ท, ที่ขับขานฝดนไปที่อัยกว่า มฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนแต่บนหัวใจของเธอและฉันยังเชื่อโยงถึงกันฉันรู้สึกถึงเธออีกแล้วความสงไวที่คอยต่อเติมชีวิตสองเราที่อบแคบสายเบาๆสิ่งที่รู้ในใจยังคงเดิมเหมือนวันที่เราั้น ชีวกันฉันรู้สึกถึงเธออีกแล้วความสนไว้ที่ขอต่ดเติมชีวิตสองเราที่องค์แค่สายเบาๆสิ่งที่รู้ในไทยยังคงเดิมเหมือนวันที่เรา nan ใก็ชีดกันฉันรู้สึก ถ, ถ, ถึงเธออีกแล้ว สองเราที่โอกาสสายเบาเบสิ่งที่รู้ในใจยังคงเดิมเหมือนวันที่เรา n a นใกล้ชีดกันฟากว้างขึ้นไกลกันที่ไปอ่อนไอของฉันจะบินไปหาเธอ และสิ่งที่ฉันทำผ่านไปเธอไม่อารับฉันไว้ข้างกายไดเมือนเคยแม่คำพูดไรที่ฉันเคยบอกเธอจะมีความหมายแค่เพียงในวันที่เลยผ่านปลดฟังเสียงนั้นที่ได้งในใจ ท, ที่คาคาเฟ่ดังป้าทีอันนี้กว่าเว็บ ม, มนใดๆแม่ฉันไม่รู้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 วความ k ั่นไหวที่ค h ยเติมช t วิยยงงวต